ข้อสีชัตถีวิพัฒน์ในอัตปัญจมีเห็นชัตถีให้แปลเป็นปัญจะมีวิพัฒน์แปลว่าเพราะหรือแปลว่าจากดูตัวอย่างข้อหนึ่งอัศวนตาธรมมัศปังริหายันติปังริหายันติแปลว่าย่อมเสื่อมย่อมเสื่อมธรมมัศจากพระสัทธรรมเห็นไหม ตัวนี้แหละเป็นสัทธีแปลเป็นปัญจะมีแหละธรร ม, มรสะสนี่แหละย่อมเสื่อมจากพระธรรมธรร ม, มระเห็นสัทธีแปลเป็นปัญจะมีแปลว่าจากจากธรรมะเสื่อมจากธรรมทำไมเสื่อมจากธรรมเป็นมีอะไรเป็นเหตุท่านบอกว่าอัศวนาตาเพราะความไม่ฟังเพราะการไม่ฟัง เพราะการไม่ใส่ใจฟัง อ, อะแปลว่าไม่สวาชนะแปลว่าการฟังตาแปลว่าเพราะเพราะไม่ฟังแปลตามสับง่ายๆเพราะไม่ฟังสเสื่อมจากทำเพราะไม่ฟังทานั่นเองอะพอมีคนพูดทำไม่ฟังเอ้ยไม่วแมวไม่ชอบรู้สึกว่าเสียงที่ประกอบได้ทำเนี่ยเป็นเสียงที่สแสวงหู เหมือนก็เอาเข็มมาทิ่มแทงรูหูอะไรเงี้ยเกิดความขยะขยงถูกทิ่มไม่ฟังนั่นแหละก็เป็นคนเสื่อมเลยเสื่อมจากทมเพราะไม่ฟังต่อไปข้อสองกิงนุโขอหังตัสสะสุขสะพายามิกิงแปลว่าอะไรนุแปลว่า ขอแปลว่าอะไรหนอแลอะหังแปลว่าขเจ้าพายามิแปลว่าย่อมกลัวสุขัสสะจากจากความสุขตัดสะนั้นทำไมหนอแลเพราะอะไรหนอแลเราจึงกลัวจากความสุขนั้นเพราะอะไรนะเราจึงกลัว เราจึงกลัวความสุข เ, เอา้ากลัวความสุขเขาบอกว่าโอ้ยไปสิเนี่ยนั่งสมาธิแล้วจะมีความสุขเป็นสันติสุขเราก็ไม่อยากได้กลัวอา้าไปสิฟังธรรมจะมีสุขใจสบายใจก็กลัวไม่อยากฟังกลัวหมดขีเลสเพราะอะไรหนอแลเราย่อมกลัวจากความสุขนั้น เราจึงกลัวความสุขกลัวจากไม่ใช่กลัวซึ่งนะกลัวจาต่อไปข้อ 3. สามเปต์สันติทันดัตสะสเพสต์ตาสเปสต์ตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตะสันติย่อมกลัวย่อมกลัวทันดัตส์ จากการลงทันย่อมกลัวจากการลงทันย่อมกลัวจากโทษย่อมกลัวจากทันย่อมกลัวจากการทำโทษไม่ว่าใครนะกลัวทำโทษนะกลัวไหมต้อเป็นผู้ใหญ่เราไม่กลัวเท่าไหร่เป็นเด็กนะกลัวกลัวจะทำโทษต่อไปข้อสี่ สเพพายันติมัจจุนโวสเพสตามาเดิมแหละสเพสัตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพายันติย่อมกลัวมัจจุโนจากความตายสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมกลัวจากความตายมัจจุโนก็เป็นฉัตรถีแปลเป็นปัญจมีถ้าเป็นปัญจมีจะเป็นรูปมัจจุนาอันนี้เป็นมัจจุโน ต่อไปข้อ5พีโตจะตุนนังอาศีวิสางพีโตจะตุนนงอาศีวิสางพีโตแปลว่ากลัวกลัวแล้วอาศีวิสานังจากสัตว์มีพิษร้ายอาศีแปลว่าร้ายแปลว่ารุนแรงวิสาแปลว่ามีพิษ จากสัตว์มีพิษร้ายทั้งหลายจะตนนังสี่พวกสัตว์มีพิษร้ายมีอยู่สี่พวกรัวสัตว์มีพิษร้ายสี่พวกสัตว์มีพิษร้ายสี่พวกก็คือไม่ใช่งูตะขาบแมงป่องอะไรไม่ใช่อ่งนั้นนะพิษบางอย่างเนี่ยนะเวลาโดนกัดเขาแล้วเนี่ย เปื่อยทั้งตัวพิษบางอย่างโดนเข้าแล้วเนี่ยเป็นเหมือนสตาร์ฟเอาไว้ไม่เปื่อยไม่เน่าแข็งทื่ออยู่งั้นเลยพิษบางอย่างโดนเข้าแล้วหมดสติเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราพิษบางอย่างโดนเข้าแล้วตายทันทีเนี่ยสัตว์มีพิษร้ายแรงสี่จำพวก จะเป็นงูหรือไม่ใช่งูก็ช่างสงเคราะห์โดยประเภทพิษมีอยู่สีย่ยมพวกใช่ส่วนมากคนไม่ค่อยโดนนะอย่างเช่นพวกแมงมุมหรือพวกต่อยพวกตอพวกอะไรใช่ไหที่มันที่มันต่อยหนอนแล้วก็ข้าไปไว้ในรังแล้วก็วางไข่เอาไว้ แล้วก็หนีไปลูกค่อยๆฟักตัวเป็นไข่เสร็จแล้วก็กัดกินนอนนะะเป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นเหมือนกับช็อกเอาไว้ไม่ตายใช่ไม่ตายแต่ว่าไปไหนมาไหนไม่ได้เป็นอมพาสเลยโดนพิษแล้วเป็นอมพาสต่อไปข้อที่หกสุดท้ายเป็นคาถาอีก <c oughs> อาตานังอุปมังกตวานะหันเนยนะคาตะเย เขียนเลขคาถาหน่อย <c oughs> อดงวงเล็บข้างล่างนะข้างหลังสุดเนี่ยเขียนว่าสี่สิบหน้าสี่สิบที่ว่างเอาไว้อ่ะเขียนหน้าส <c oughs> ี่สิบคาถานี้แปลว่าบุคคลใส่บุคคลเข้ามาเพราะว่าฮันเนยคาตเยเป็นสัตมีพิพัตเอยะสตมีเอยะ กตวากระทาแล้วอัตานังซึ่งตนอุปมังให้เป็นอุปมากระทำแล้วซึ่งตนให้เป็นอุปมาก็คือทาตนให้เป็นอุปมาเปรียบเทียบตนเองดูหเนหะนะหเนเยนะนะหเนยะไม่พึงเบียดเบียนนะคาตะเยไม่พึงฆ่า นั่นหมายความว่าตนเองรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดสัตว์อื่นก็เหมือนกันฉันนั้นดังนั้นก็บอกว่าเมื่อทําตนให้เป็นอุปมาได้แล้วก็ไม่ควรจะเบียดเบียนไม่ควรจะฆ่าสัตว์อื่นบุคคลทําตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรเบียดเบียน ด, ด้วยตัวเองไม่ใช้ไม่ไม่ใช้ไ ม, ไ, มใชไม่สั่งให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ควรฆ่าด้วยตัวเองไม่จ้างวานให้คนอื่นฆ่านี่ไง ฮเนยะแปลว่าเบียดเบียนมาจากฮนาธาต์ฮนาหิงสาอย่างในการเบียดเบียนเอยสะตมีวิพัฒน์ส่วนคาตะเยก็เหมือนกันนะคาตะเยตัวนี้มาจากหนาธาต์เหมือนกันนะธาต์เดียวกันแปะเลยแต่มีการแปลงรูปไปเป็นคาตะด้วยกระจายยนตสูตรว่าหนัสคาคาโตมีเลยคาโตปรเทศเป็นคาตะหนัสคาแห่งหนาธาต์ ดังนั้นฮเนยะกับคาตะเยเนี่ยนะความหมายอย่างเดียวกันเลยแปลวะ่าฆ่าแปลว่าเบียดเบียนแปลว่าคุกคามคาถานี้มาจากธรรมบบทเหมือนกันเรื่องก็ไม่มีอะไรมากหรอกมีบุคคลหนึ่งชอบเบียดเบียนชอบคุกคามเบียดเบียนสัตว์ทําปานาธิบาศบ้างทําอื่นๆบ้างรักทรัพย์บ้างอะไรบ้างที่นี้ก็เลยทําให้คนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลําบาก ดังนั้นพูทเจ้าจึงตรัสคาถาว่าคนอื่นเขารักสุขฉันใดตัวเองก็รักสุขรักสุฉันนั้นคนอื่นเขาเกลียดทุกฉันใดตัวเองก็เกลียดทุกฉันนั้นดังนั้นก็เลยต้องอุปมาตัวเองดูถ้าตัวเองไม่อยากถูกเบียดเบียนก็อย่าเบียดเบียนผู้อื่นตนเองไม่อยากถูกฆ่าก็อย่าฆ่าคนอื่นเป็นคาถาสั้นๆแค่เอามาครึ่งคาถา ทีนี้ให้ดูว่าคาว่าอัตนานเนี่ยนะโดยความหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะดูนะอัตตานนะตัวนี้เป็นฉัตถีวิพัตแต่แปลว่าจากนะในที่นี้นะแต่เมื่อกี้ให้แปลว่าซึ่งใช่ไหมท่าบอกว่ากัตวากระทำแล้วอุปมังซึ่งการอุปมาอัตนานจากตนถ้าแปลให้ตามวิธีของ ของบทข้อสีนี่ให้แปลว่าอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าจะแปลว่าทําตนให้เป็นอุปมารจริงๆให้แปลว่าทําซึ่งอุปมาจากตนเองนะเป็นชัตถีผู้โพสแปลเป็นปัญจมีกัตวากระทําแล้วอุปมังซึ่งการอุปมาอุปมาอัตตานังจากตนเองจากตนทําอุปมาจากตน ปิปังริหายันติเนี่ยธาตุอะไรฮะปริหายันติปริบทนหน้าหาธาตุใช่หหาธาตุหาธาตุในอัตว่าจาเคหาจาเคแปลว่าละแปลว่าสละถ้ามีปังริอยู่ข้างหน้าแปล ว, ว่าปังริฮีเน แปลว่าเสื่อมแปลว่าเสื่อมดังนั้นปริหายันติน่แปลว่าย่อมเสื่อมไม่ได้แปลว่าย่อมสละย่อมละย่อมเสื่อมพายามีอะไรธาตุอะไรแน่พยาธาตุกันเลยไม่มีหรอกครับพยาธาตุนะครับพายาธาตุก็ไม่มีครับธ า, าตุเดิมคือพีอ่พีธ า, าตุพีพระเยในความกลัวพี โดยการอวุธที่อีเป็นเอเป็นเพแลวก็อาเทศเอเป็นอายะเลยเป็นพายะอัศวนาตามาจากสุธาต์ลงยุ ป, ปัจจัยอัศวนาตาเนี่ยนะมาจากอานะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากอามาจากณ น, นะณเป็นอะ แล้วก็ซ้อนสะมาจากณนะบวกสวนะแล้วก็ตาปัจจัยตาปัจจัยในภาวะตัดทิศเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ไม่ฟังนั่นเองเพราะไม่ฟั ง, มงไม่ต้องโยกขนาดนั้นแต่ถ้าตัวทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่เพราะเป็นผู้ไม่ฟังความหมายง่าย เพราะเป็นผู้ไม่ฟังณเป็นอะแล้วก็ซ้อนสะสวัชนะนั้นแปลมาจากสู่ธาตุลงยุยุเป็นอนะแล้วอุเป็นอะวะเลยเป็นสวันะแปลว่าการฟังเพราะการไม่ฟังพีแล้วก็วุธิเป็นเพ อเป็นเวุทธิ์อีเป็น a p ก็เป็นเพและก็เพราะสระอยู่ข้างหลังก็อาเทศ a เป็นอายะเอาสระเอเป็นอายะเพก็เลยกลายเป็นพายะถ้าเป็น a เป็นอายะนะก็จะเป็นพยะอือได้ทั้งคู่ถ้าพยะจะเป็นนามทพายะจะเป็นกิริยา อย่างเช่นคำว่าไผเนี่ยก็เป็นพะยะนั่นเป็นนามแต่ถ้าเป็นขิ ย, ยาติก็จะเป็นพายะพายะติพายันติพายะสีพายะถาพายามิพายามะอ่าพีโตก็พีธาตระประัยเลยไม่ทำอะไรตาสันตีนี่สับเริมอย่างนี้เลยใช่หรฮะตสันตนี่สัเก็อย่างนี้เลยหรอเปล่ไหน ตาสันติตมาจากตาสาทาธต์ตาสาทาต์อุตาสเนในความสะดุ้งในความกลัว